หลัจากนั้นได้เดินทางไปยังอำเภอวังสพุงแล้วเดินทางขึ้นภูกระดึงอันสูงใหญ่ไปพักอยู่ที่ตีนเขาหนึ่งคืนมีลูกศิษย์ติดตามไปด้วยคือเด็กสองคนพระสมองค์ได้เดินทางขึ้นภูกระดึงถึงสันแฝเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเดินจากสันแปไปที่พักราวสามกิโลเมตรเศเมื่อขึ้นถึงยอดเขาอากาศเย็นเฉียบหนาวมีป่าสนวันนั้นพอปีนถึงยอดเขาฝนก็ตก จึงพากันเดินหาที่พักเห็นขอนต้นสนต้นหนึ่งล้มอยู่ในป่าหญ้าก็ได้ขึ้นไป น, นอนบนขอนมีทั้งฝนทั้งลมคืนนั้นเป็นอันไม่ได้หลับนอนพระเนนหนีไปรลบอยู่ที่อื่นพอสว่างขึ้นก็เดินหากันเมื่อได้พบกันแล้วได้ไปหาที่พักพบถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งมีลานหินสวยงามมีบ่อน้าเล็กๆบ่อนหนึ่งฝนตกลงมาคืนนั้นน้าเต็มบ่อพอดีได้อยู่บริเวก ดูสถานที่ใหญ่กว้างมีต้นสนมากมีญ้านามีความยาวประมาณเจ็กิโลเมตรขว้างประมาณเจกิโลเมตรเมื่อขึ้นไปบนนั้นรู้สึกราวกับว่าเราอยู่บนพื้นดินแต่ต้นไม้อื่นไม่เกิดมันเกิดอยู่ตามเชิงเขาสนิฐานว่าเป็นเพราะบนยอดเขานี้มีพารานหินเศษโดยมากพอสังเกตต้นสนที่ร่มหลงลากต้นสนแย่ลงตามซอกหินสถานที่นี้อยุ้ยเวกสงัดสบายดี ถึงเวลาประมาณบ่ายห้าโมงวันไหนฝนไม่ตกพากันออกไปนั่งสมาธิบนลานหินนึกว่าเราไม่อยากกลับเมืองมนุษย์อยากอยู่ตามป่าตามดงอย่างนี้ถ้าสามารถเป็นไปได้ขอให้พระเจ้าสำเร็จในทางอิทธิฤทธิ์ถ้าไม่สำเร็จขอให้สิ้นภายในกำหนดเจวันขอให้นิผ่านในวันที่เจ็มิฉะนั้นขอให้เทพเจ้าชักจูงให้ไปอยู่หุยเบกห่างชุมนุมชนสักสามปีเมื่อคิดจะ น, นี้ กิดยังไม่ทันเสร็จฝนตกลงมาทุกทีจึงต้องกลับข้าทํามีเพื่อนพระองค์หนึ่งชื่อพระประหลัสสีไม่เคยเดินโดงไปไหนระหว่างทางชอบขายข้าวขายของเราก็รำคาญคือท่านชอบคุยในเรื่องของทางโลกมากเมื่อเดินทางไปพบบ้านใดกันดานก็เอาเรือร บ, บรีมีปลาชุมมาเล่าให้ชาวบ้านฟังเล่าว่าปาราร บ, บรีทรงไปขายถึงจังหวัดชายภูมิได้ฟังแล้วรู้สึกลำคาญใจ เพราะเราไม่ได้มาค้าขายเรามาวิเวกต้องคอยเตือนอยู่เสมอแต่ท่านมีพรรษามากกว่าเราเมื่อขึ้นไปอยู่บนเขาก็ชอบก่อไฟผิงไฟเวลาเรานอนถ้าเรายังไม่นอนก็ไม่กล้าผิงไฟแล้วก็คุยกันมีนายมั่นกับนายมโน ร, ร่วมวงด้วยอยู่ได้หลายวันก็ชักจะไม่สงบวันแรกสบายดีไม่มีใครพูดคุยกันเพราะกลัวเสอือช้างเพราะเขานี้มีเสือและช้างมาก ได้พักอยู่ห้าคืนพอดีเข้าสารหมดจึงเตรียมการเดินทางกลับเมื่อลงจากเขาแล้วได้นั่งพักอยู่พื้นราบมีลูกน้องของฝรัง่งเอาเสื่อมโป้แล้วนิมนต์ให้นั่งเราไม่นั่งจึงนิมนต์ปรัสสีไปนั่งท่านไปนั่งได้สักครู่หนึ่งได้ยินเสียงฟ้าร้องทางทั้งที่มีแสงแดดพร้อมๆกับเสียงฟ้าร้องกิ่งไม้รังก็หักลงจากต้นใกล้ศรษะพระปรัสสีประมาณหนึ่งคืบปรัสสีหน้าเสียรีบขึ้น เราจึงพูดว่านั่นแหละการไม่สํารวมมักมีเหตุตั้งแต่นั้นมาพระปราสิเลยเป็นผู้สงบต่อจากนี้ได้เดินทางมาพักอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งใกล้ผานกเขาตกเวลาค่ำาดึกสงัดลูกศิษย์เนอยอ่อนพอตกดึกได้ยินแต่เสียงเดินบกป่าบกดงรุงขึ้นได้ถามพระที่ไปได้ว่าเมื่อคืนนี้ทำอะไรกันได้รับตอบว่าได้ขโมยกินน้าตาลของหลวงพ่อ อาบมาหลายวันแล้วไม่เห็นฉันเลยต้มกินกันหมดเมื่อชันจังหันแล้วพากันออกเดินทางข้ามดงใหญ่เดินมาได้1กิโลเมตรก่อนจะออกเดินทางตั้งใจไว้ว่าเราจะขี่รถของเราเองให้ถึงอำเภอชุมแพซึ่งอยู่ห่างจากที่พักประมาณ80กิโลเมตรว่าเราจะไม่ยอมขึ้นรถจะเที่ยวไปเรืไปตามป่าคิดอยู่ไม่กี่อืดใจก็มีรถยนต์คันหนึง่งวิ่งสวนเลยไปจอดอยู่ข้างหน้าประมาณสี่หเซ้น เห็นผู้หญิงวิ่งมาจากรถบอกว่าข อ, อนิมนขึ้นรถเพิ่งซื้อมาใหม่ๆมองดูหน้าพระเนรล้วนอยากขึ้นแต่เราไม่พาขึ้นเขาอ้อนวอนอยู่นานก็ไม่ยอมขึ้นพวกเราพากันแบกกดสะพายบาทเดินไปทั้งร้อนทั้งแดดเดินไปประมาณสี่กิโลเมตรเห็นเขามีสารเจ้าอยู่ข้างหน้าจึงหยุดพักตรวจ ด, ดูทำมีหญิงอุ้มลูกมาคนหนึ่งสภาตะโกดมาสามตัววางไว้ใกล้ที่เราพัก นึกอยากวิยนตาบาตตะโกดกับแก่แต่ไม่กล้าออกปากพักอยู่ครู่หนึ่งมีรถรอสพอวิ่งมาจากจังหวัดเลยได้รับเอาในมั่งกับประหลาดสีติดรถมาด้วยคนขับรถกระโดดลงจากรถวิ่งมาหาเขาพูดว่าเห็นท่านเดินถนนมาหลายวันแล้วข อ, อนิมนต์ขึ้นรถเขาได้อ้อนวอนอยู่หลายนาทีบอกว่าไม่ได้คิดค่ารถทั้งหมดรวมทั้งลูกศิษย์ด้วยลูกศิษย์ต่างเดินอยู่ข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีจึงตอบว่า ขอบใจขันไม่ขึ้นลูกศิษย์เลยต้องพากันลงจากรถเดินทางผ่านเข้าดงลานดงนี้เป็นป่าดงดิบพอถึงเวลาประมาณบ่ายห้าโมงพระปราศีก็เกิดเป็นโรคบิดจึงได้อนุญาตให้ขึ้นรถไปพักคอที่อำเภอชุมแพนายมั่นก็เดินไม่ไหวเขา ย, ย่องเะแย่งก็ได้อนุญาตให้ขึ้นรถไปคอยอยู่ที่อำเภอชุมแพตกลงวันนั้นเดินด้วยกันสามคนคือเราพระโจมและนายมโนเด็กชาวอุตรดิต์ เมื่อถึงที่พักเป็นเวลามืดประมาณสองทุ่มเรียกว่าบ้านกระทุ่มหาที่พักลาบากได้ไปพักในป่าใกล้น้าแห่งหนึ่งตื่นเช้าออกบินตาบาตในบ้านฉันแล้วเดินทางต่อเดินมาได้หนึ่งกิโลเมตรกําลังแดดจัดนั่งพักอยู่ร่มไม้แห่งหนึ่งพอสมควรเวลาประมาณมห้ามงเย็นฟ้ามืดครึ้มคล้ายฝนจะตกสิทธิ์ที่เป็นเด็กเหนื่อยเต็มที่ไม่ยอมไปพักในป่าขอตัวจะขึ้นรถไปจังหวัดขอนแก่นก่อนแต่เมื่อเรียกรถทุกคัน ก็ไม่มีคันใดอยู่หลับสักครู่หนึ่งเกิดมีพายุฝนตกใหญ่เด็กได้เข้าอาศัยพักในบ้านโยมแต่บ้านหลังนั้นได้ถูกลมพัดหลังคาเปิดตัวเองกับพระจูมเดินมาพักข้างทางรถจนเห็นกระทอมหลังหนึ่งกว้างประมาณหนึ่งเมตรยาวสองเมตรครึ่งมุงด้วยยาคาฝนตกหนักพายุแรงพัดกิ่งต้นรังขาดได้ชวนพระจูมพักที่กระท่อบท่านจูมกั้นกดพักอยู่ใต้หลังคากระต่อมซีกหนึ่งอีกซีกหนึ่ง เรายืนพักอยู่ลมพัดมันอย่างแรงหลังคาซีกที่ท่านโจมกั้นกดลมพัดตีปิวไปกลางทุ่งคู่เดียวต้นเตงรังหังหกฟาดลงมาท่านโจมได้วิ่งมาหาเรากระตอมนั้นอาศัยไม่ได้ได้วิ่งไปพักใต้กอบเบญจมาศมอบอยู่อย่างสบายทั้งหนาวทั้งสัน่นประมาณหนึ่งชั่วโมงลมเงียบฝนหยุดตกผ้าพนเปียกปอนได้หากระตอมพบอีกหลังหนึ่งจึงก่อไฟขึ้น และนอนอยู่ในกระสอบตอนกลางคืนฝนตกลงมาอีกลุ่งขึ้นก็เดินทางมาอำเภอจุมแพอส่วนเด็กที่ติดตามเดินไม่ไหวได้ส่งขึ้นรถไปคอยอยู่จุมแพจึงต้องเดินทางกับพระจุมเพียงสององค์เวลาตอนเย็นประมาณห้าโมงถึงอำเภอจุมแพรพระประดิเป็นบิดยังไม่หายดีหน้าซีเซียวแล้วได้พักอยู่อำเภอจุมแพจนสบายพอสมควรได้ทราบข่าวการจัดงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จ ว่าจะจัดทมในเร็วๆนี้จึงออกเดินทางจากขอนแก่นโดยขบวนรถเร็วถึงกรุงเทพราวเดือนเมษายนพศ2497มาถึงวัดประดมนิวาตคณะสงฆ์ได้หารือ ง, งานพระราชทานเพลิงศพสำเด็จวันนั้นได้มีการประชุมพระเถระชั้นผู้ใหญ่รวม11ลกูกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนี้พอเสร็จเร็วแล้ ว, ลวได้มาประชุมที่หอเขียวมีสมาชิกสมาคมอีสาน ไปร่วมประชุมกันประมาณหนึ่งรคนนายเลื่อนบสษวันเป็นประธานพอผ่านขึ้นหอเขียวได้เห็นพระธรรมดดกแ ล, และพระธรรมดีดกนั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยไม่ได้พูดอะไรเลยได้ยินแต่หมอฝนแสงสิงแก้วพูดเรายืนฟังอยู่ข้างนอกแต่การที่พูดกันในที่ประชุมนั้นเราไม่พอใจคือเขาวางนโยบายเก็บเงินไปสร้างโรงพยาบาลโรคจิตให้หมอฝนที่จังหวัดอบบุบลในานามของสมเด็จ จึงได้เข้าไปนั่งบนเก้าอี้ขอโทษที่ประชุมแล้วกล่าวว่าเรื่องที่สนธนากนณีผมเสียใจผมปฏิบัติสมเด็จมาสามปีตายไปแล้วร้อยกว่าวันครูบาอาจารย์และพวกสมาคมมานั่งฟังอยู่ผมไม่ได้ยินว่าได้ปรบรเพื่อทำงานพระราชทานเพิงศพสมเด็จเลยทางโรงพจุบาลนั้นผมฟัง ด, วดูว่าได้ตังงบประมาณเจแสนบาทแต่งบประมาณของสำเด็จไม่เห็นมีใครตั้ง ผมเสียใจมากเขาโอกาสพูดด้วยพอพูดเสร็จแล้วหมอฝนพูดว่าเรื่องนี้ได้เรียนจอมพลผินแล้วว่าเงินไม่พออยากเก็บเงินในคราวนี้ไปสมทบท่านจึงได้อนุโมธนา ม, มาหนึ่งมืนบาทจึงได้พูดเรื่องนี้ขึ้นเลยต่อไปว่าผินผันไม่รู้ไม่ใช่เรื่องโรงพยาบาลแต่เป็นเรื่องศพได้ยินดังนี้หมอฝนก็ลุกหนีไปไนายเลื่อนนั่งนิ่งพูดว่า เมื่อเป็นอย่างนี้อาจารย์ว่าอย่างไรเจ้าคุณธรรมยร ก, กับเจ้าคุณยานนั่งนิ่งกันหมดเขาถามอีกว่าอาจารย์จะให้ทําอย่างไรจึงได้ตอบเขาว่าเรื่องโรงพิจารณาไม่รังเกียจขอเอาไว้ผู้ที่หลังเพราะศพสมเด็จยังเหม็นอยู่ควรทำเสียก่อนเมื่อพูดจบแล้วคุณนายตุลยกมือเห็นด้วยอยู่ข้างหลังได้ใที่ประชุมบันทึกการประชุมไว้รวมสามข้อคือหนึ่ง เงินจะได้มาโดย ว, วิธีใดขอให้รวบรวมทำศพสมเร็จเสียก่อนจดเป็นที่พอใจคณะกรรมการ 2. เมื่อมีเงินเหลือจากการทำศพให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณามอบหมายเงินก้อนนี้ให้โรงพยาบาลต่อไปสมไม่ต้องให้เลยก็ได้เมื่อได้บันทึกสมข้อนีเสร็จแล้วได้มีคนคนหนึ่งถามขึ้นว่าศพนี้ใครเป็นคนทาก็ไม่มีพระองค์ใดตอบจึงได้ตอบแทนว่า พระนส่งวัดบ ร, รมเป็นผู้ดำริธรรมมหาวิเชียรทำงานอยู่กระทรวงวัฒนธรรมได้ผู้ขึ้นว่าท่านเป็นพระท่านจะทำศพท่านจะใช้จ่ายเงินได้อย่างไรจรึงได้ตอบเขาว่ามือของฉันมีมากกลัวแต่จะไม่มีเงินเก็บฉันเก็บไม่ได้ถ้าไม่เป็นสิทธิ์ของฉันมีได้ฟังดังนี้มหาวิเชียนเลเงียบในที่สุดวันนั้นจึงได้เสนอว่าคณะกรรมการเก่าขอยกเลิก ก็ตั้งใหม่มอบให้เจ้าคุณทรรปิฎกเป็นประธานแล้วก็เลิกประชุมลุ่งขุนชาวันหนึ่งได้เดินผ่านท่านเจ้าคุณทรรปิฎกท่านเรียกเข้าไปในห้องและบอกว่าผมจะบอกอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องสมเด็จเพราะผมปิดเป็นความลับไม่เปิดเผยท่านพูดต่อไปว่า 1. สมเด็จสั่งให้ผมเป็นผู้จัดการชาปนกิจศพท่านเมื่อท่านมรณภาพไปแล้ว 2. ท่านมอบหมายเครื่องบริการให้เป็นสิทธิ์แก่ผมส ให้ช่วยปกครองดูแลพระเนรคณะวัดบรมก็ตอบทันว่าดีมากต่อมาจึงได้เปิดเผยเรื่องสำคัญของสมเด็จในที่ประชุมคณะสงฆ์จึงได้มอบกิจการถวายท่านเจ้าคุณทําปิฎกก่อนออกจากที่ประชุมได้พูดขึ้นอีกคำหนึ่งว่าขอโทษพระเดชพระคุณเมื่อวานนี้ผมหมั่นไส้จนทนไม่ไหวเวลาสมเด็จยังมีชีวิตอยู่ ไม่เคยมีใครพูดเรื่องโรงพยาบาลของท่านเวลาท่านตายก็ไม่พูดเรื่องทำศพกลับมาพูดเรื่องโรงพยาบาลถ้าผมได้พูดไปไม่ดีไม่ถูกเป็นการเสียหายผมจะขอรานีจากวัดไม่ขอเกี่ยวข้องในงานศพครั้งนี้ถ้าคุณทรรมปดกจึงได้อ้อนวอนไม่ให้ไปและพูดว่าที่ท่านอาจารย์พูดนั้นไม่ผิดจึงเป็นอันได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานครั้งนี้ไปจนสำเร็จ อีกไม่ช้าก็ได้จัดเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จที่วัดพระศรีมห า, าธาตุอำเือบางเขนซึ่งท่านได้เคยเป็นสมผานคนแรกในการสร้างวัดนี้วัดนี้เป็นวัดที่คณะรัฐบาลได้จัดสร้างขึ้นเมื่องานได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วได้ออกไปจำพรรษาอยู่ที่นามแม่ขาวที่เรียกว่าวัดอโศก aram าาทุกวันนี้ที่ตั้งวัดอโศก aram ปัจจุบันนี้เดิมเรียกว่านามแม่ขาว เจ้าของที่ดินคือนางกิมหงและนายสุมเมศกลการได้ถวายที่ดินให้สร้างวัดมีเนื้อที่ประมาณ53ไร่เมื่อปีพศ2497จนกระทั่งปีพศ2498จึงได้เริ่มตั้งสำนักขึ้นเป็นครั้งแรกโดยให้พระลูกศิษย์คือพระโคราบดิกาทัตมาเฝ้าสำนักแทนพร้อมกับพระโรควัดอีกห้าโรค รวมมีพระที่สำนักนี้ในครั้งเริ่มตั้งจำนวนหรูปเมื่อออกพรรษาและได้จัดงานพระราชทานเพึงศพสมเด็จเรียบร้อยแล้วเป็นปีพศ2498จึงได้ออกไปจำพรรษาที่วัดอโศการามในระหว่างนี้ได้เริ่มคิดดําริจัดงานฉลองสมโพธ25พุทธศตรวตรรษในปีพศ2500ารดํ 2, การดรัตในเรื่องนี้ได้ดัมฤตมานานแล้วคือเริ่มดัมฤตตั้งแต่ปีที่ ได้เดินทางออกจากดงบ้านผาแด่นแสนขันดานในระหว่างที่คิดตำริจะจัดงานชรลองสมโพธิยี่พุทธศตรวรรษอยู่นี้ได้เทวิเวกไปตามสถานที่ต่างๆวันหนึ่งได้ไปตั้งสัจจะอธิษฐานอยู่ที่ท้ำพรสบายอําเภอเมตะาจังหวัดอําปางได้ตั้งปัญหาขึ้นว่างานที่จะทำครั้งนี้เป็นงานใหญ่แต่เราไม่มีสมบัติอะไรจะทำดีหรือไม่ดีหนอ ขอพระธรรมเจ้าจงบันดาลให้ปรากฏทราบในใจมิฉะนั้นก็ขอให้เทพเจ้าผู้ปกปักรักษาประเทศชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และเทวดาผู้คุ้มครองรักษาพระแก้มรกรอันเป็นมิ่งขวัญของคนไทยทั้งหมดจงช่วยกำบรรดาลบอกช่องทางให้แก่ข้าพเจ้าด้วยอยู่มาวันหนึ่งได้เข้าไปในถ้ำลึกอยู่หลังถ้ำพระสบายเข้าไปจุดไฟตะเกียงโรวไวหน้าพระพุทธโลกตรงหน้าพระพุทธโลกปูด้วยกระดาน ส่วนตัวเจ้าของเองไปนั่งบนก้อนหินใหญ่หันหน้าเข้าฝาในถ้าจุดไฟสว่างไว้ตลอดคืนแล้วก็ตั้งอธิษฐานความดำริในใจคือวันนั้นเวลาประมาณสองนากาจิตใจก็สบายดีได้มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งบังเกิดขึ้นมีเสียงดังเกลียวกล่าวลงหน้าพระพุทธรูปฟังดูไม่ใช่เสียงหินแต่เป็นเสียงกระจกแตกรอสักครู่หนึ่งจึงได้ลุกขึ้นมาดูเดินรอบๆบ สังเกตดูห่างจากตัวประมาณเจศอกแสงไฟก็สว่างทั้งถ้ำร่อถ้ำเล็กมีความกว้างเพียงสีวาเศษเป็นวงกลมสูงประมาณ10ถึง15เมตรมีช่องทะลุขึ้นไปบนอากาศเดินดู ร, รอบๆแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยจึงกลับเข้าที่เดิมนั่งสมาธิต่ตอไปได้นั่งเคลื่อนฝันไปปรากฏเป็นเทพเจ้ามาพูดบอกว่าเรื่องการทางานเจรองสมโพธิยพุทธศตรวรรษนี้ ท่านไม่ต้องคิดแต่ท่านต้องทำจะทำเมื่อไรต้องสำเร็จหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้วิตกเรื่องนี้เท่าไหนักได้พักไปเวกอยู่เป็นเวลาพอสมควรในการมาถ้ำพระสบายคราวนี้ก่อนจะกลับจากถ้ำได้ป ร, รบถึงเนื้อต้นโพว่าอยากได้ต้นโพสักสามต้นมาปลูกไว้ที่ถ้านี้ต่อมาได้เดินทางกลับจังหวัดลบบรุรีไปพักอยู่ที่วัดเขาพระงามพอดี เป็นเวลาตรงกับวันมาคาบูชาจึงได้จักชนญาติโยมชาวพนัคอนและลบบุรีทำพิธีมาคาบูชาเป็นเวลาสามวันได้แสดงธรรมะให้แก่พวกคณะทหารประมาณส0 0ร้อคนที่มาทำการเวียนเทียนในคืนวันนั้นเสร็จแล้วได้เข้าสมาธิตั้งอธิษฐานจิตว่าเรื่องงานฉลองสมโพ ธ, ธ25พุทธศตรวตรรษนั้นไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างไรยังรู้สึกคล่องใจอยู่ แล้วจึงได้ตั้งสัตว์อธิษฐานขอถวายชีวิตในวัน15้าคำคือไม่ฉันจังหันถวายตาคือไม่ยอมให้หลับภาคเพียนพยายามอยู่อย่างนี้ก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์อันใดถึงเวลาจนสว่างประมาณตีห้าได้เคลิมฝันไปครู่หนึ่งได้เห็นแผ่นดินแยกออกมองลึกลงไปเห็นก้อนอิดสีแดงๆหักพังเกินกาดทับถมอยู่ใต้ดินก็สานึกขึ้นว่านี่คือ สถานที่บรรจุพระบรมธาตุในสมัยก่อนได้ผุพังจมดินลงไปมากแล้วฉะนั้นท่านต้องเป็นผู้อุปการะช่วยเหลือสร้างพัจดีเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุต่อไปภายหลังงานฉลองสมโภช25พุทธศตวรรษมิฉะนั้นจะไม่หมดกรรมหมดเวรแล้วได้เคิรฝันต่อไปอีกครั้งหนึ่งว่าในสมัยครั้งกันนพระสงฆ์มีธุระประชุมใหญ่กันในประเทศอินเดีย เมื่อได้ดันหมายการเรียบร้อยแล้วตัวของเราไม่ได้ไปประชุมกับโมกคณะการประชุมครั้งนี้เนื่องด้วยการฉลองสมโพธิพระบรมธาตุของพระบรมศาสด า, ศ า, ศ า, ศ า, ศาซึ่งเป็นงานสําคัญยิ่งแต่เราไม่ได้ไปประชุมเพื่อนๆจึงได้ลงโทษว่าต่อไปท่านต้องไปผู้ประกาศรวบรมพระบรมธาตุบรรจุไว้ในองค์พระชดีแห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อเป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัทต่อไปเมื่อได้นึกเครื่อฝันชนีแล้ว การดาริที่จะทำงานสมโพธ25พุทธศตวรรษก็หนักเข้าทุกทีอยู่ต่อมาวันหนึ่งเวลาสางโจวนสว่างจึงได้ตั้งอธิษฐานในใจว่าถ้าข้าพเจ้าจะทำการฉลองสมโพธ25พุทธศตวรรษให้สาเร็จด้วยดีขอจงให้พระบรมธาตุที่มีอยู่ในตัวนี้ขอให้บังเกิดมีให้ครบจำนวน80องค์ถ้าอายุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือกออธิษฐานนั้นยังมีไม่ถึง80องค์มีอยู่ขณะนั้นประมาณ60องค์เศษเท่านั้นเมื่ออธิฐานเสร็จสว่างแล้วฉันจังหันเสร็จก็เปิดพระอบออกนับดูปรากฏว่ามีพระปรมทธาตุครบ80องค์บริบูรณ์ต่อมาในคืนที่สองก็ได้ขึ้นเป็นั่งสมาธิอยู่บนพระพุทธรูปใหญ่เชิงเขาคืนนั้นมีไอนอนนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่รอบรอบพระพุทธรูป แล้วก็ได้จัดตั้งผานไว้พันหนึ่งพร้อมได้ดอกมาทุบเทียนทำการอธิษฐานว่าถ้าการฉลองสมโพธ25พุทธศตรวรรษจะสำเร็จเขา อ, อัญเชิญพระบรมธาตุให้เสด็จมาเพิ่มเติมอีกจะเสด็จมาจากไหนก็ตามพอรลงจว่างก็ได้พระบรมธาตุประมาณสิบองค์เล็กๆมีพลอยสีแดงปอนอยู่ด้วยก็รีบจัดเก็บเข้าภาชนะไม่บอกให้ใครทราบแต่นึกว่าเราคงทางานครั้งนี้สาเร็จ ในปีนั้นได้เดินทางกลับมาจำพรรษาที่วัดอโศกรามเป็นปีพศ2499เมื่อออกพรรษาแล้วได้ทราบข่าวว่าได้ปรากฏมีต้นโพลเกิดขึ้นหน้าธรรมประสบายอำเภอเมทะจังหวัดลำปางรวมสมต้นสวยงามเพราะขึ้นอยู่็นแท่นหินปัจจุบันนี้ขึ้นสูงประมาณ8ศอกแล้วในระหว่างจำพรรษาในปีพศ2499ที่วัดอโศกราม ความดั่ิเรื่องจัดงานฉลองสมโพธ25พุทธศตวรรษก็หนักแน่นข้าทุกทีทุกทีแต่ขณะนั้นยังไม่ตกลงว่าจะทำงานนี้ที่ไหนแน่เพราะเป็นงานใหญ่ไปๆไปม า, มาๆก็เลยตัดสินใจว่าต้องทำที่วัดอสศกรารนี้เองการทำงานนั้นมีอยู่สองอย่างคือ 1. พร้อมเพียงกันกับพุทธบริษัททั้งหลายจัดทำขึ้น 2. ทด้วยลาพังตนเองคนเดียว การทําพร้อมกับพุทธบริษัทนั้นมีสมชั้นคือชั้นต่ําชั้นกลางชั้นสูงสุดความดำดิบนี้ไม่ได้บอกไกลเป็นแต่ตั้งข้อสังเกตในการทําไว้คนเดียวเฉยเมเมื่อได้ทํางานสมโพธยี่สพุทธศตวรรษสําเร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าการทาํางานครั้งนี้ตกอยู่ในชั้นกลางเท่านั้นถ้าหากทําได้ถึงชั้นสูงสุดจะไปสร้างฉัตรถวายพระพุทธรูปใหญ่ที่ขขาพระ ง, งามในที่สุดก็ไม่สําเร็จถึงชั้นสูงสุด ทำด้วยลําพังตัวเองคนเดียวการทําด้วยลําพังตนเองคนเดียวนั้นดีมากที่สุดแต่ไม่เกิดประโยชน์แก่ปวงชนการกระทําอย่างนี้มีอยู่3ามวิธีคือวิธีที่1อย่างชั้นต่ําต้องไปตัวนี้ไปจากมนุษย์ลบอยู่ในป่าดงถึงสามพรรษาจึงจะออกมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ได้วิธีที่สองอย่างชั้นกลางต้องเข้าไปอยู่ในป่าลึกโดยลําพังทํำฟางภาพเพียนจนครบทายม้าสามเดืนินไม่กงังวล วิธีที่สอย่างชั้นสูงสุดต้องเอาผ้าแดางผูกคอตอนเองไว้7จวันคือหมายความว่าภานใน7วันนี้จะพยายามสร้างความดีสองชนิดคือชนิดที่1ขอให้สำเร็จวิชา8ประการภานใน7วันเพื่อจะได้ใช้เป็นเครื่องมือไว้ประกอบศาสนากิจชนิดที่2ถ้าไม่สามารถเป็นไปได้ในชนิดที่1ขอให้ถึงที่สุดในวันที่7พร้อมด้วยชีวิตเป็นอันไม่หวังกลับ เมื่อทำได้ตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้จึงจะเป็นผู้หมดโทษและเว่งกรรมซึ่งได้ทำกับเพื่อนไวแต่พางก่อนในความเคิมฝันต่อมาถึงปลายปีพศเกาศ1บ9 9ก็จวนแจเวลาแต่ก็ได้เริ่มลงมือทำกิจการไว้บ้างแล้วคือได้สร้างพระพุทธรูปแบบใบโพซึ่งได้ประจำลองแบบมาจากเมืองพาราณสีในสมัยเมื่อได้เดินทางไปประเทศอินเดียและได้รวบรวมผงต่างต่างไวหลายสิบแห่งอาทิเช่นดิน สังเวชนีอัตถฐานในประเทศอินเดียพระเครื่องที่แตกหักตามกรุกต่างๆและเพื่อนฝูงกับลูกศิษย์ได้ส่งจากต่างจังหวัดต่างๆมาถวายบ้างคือได้มาจากจังหวัดลบบุรีพิษณุโลกพิจิตรชุมไทยชุพันณ์บุรีอุธยาเพชรบูรณ์สงขลาอุบลอเภอท่าพนมพระนครมีพระแตกหักเกา่าปราจีนบุรีมีน้ำมนต์เกา่าซึ่งบรรดานักปราชญ์ได้ทำไว้ในสมัยโบราณ ผสมผงเกศรและอักขระรวบรวมพิมพ์ขึ้นสองชนิดคือ 1. พระพงไม่ได้เผาไฟสองพระผสมแล้วเผาไฟคิดอยู่ในใจว่าเราจะต้องสร้างพระพิมพ์ถึงหนึ่งล้านองค์เมื่อเรามือทำแล้วได้มานับสำรวจดูในปีพศ .2799 เมื่อออกบรรษาแล้วได้จำนวนพระรวมทั้งสิ้นประมาณ1ล้านหนึ่ง0สนองเษวันหนึ่งเกิดในมิตรแปลกประหลาด คืนวันหนึ่งเงียบสงัดกำลังนั่งพิงพระพุทธรูปอยู่มีพระปรมาธาตุองค์หนึ่งได้เฉด็จปฏิหารมาอยู่บนเตียงนอนมีลักษณะคล้ายรูปพระใบโพที่กำลังพิมพ์อยู่แต่พระใบโพที่พิมพ์อยู่เป็นแบบพระแสดงธรรมจักรคือยกประหัตสองข้างเป็นแบบแสดงพระธรรมเทศนาจึงได้ตั้งชื่อพระพิมพ์นี้ว่าพระโพธิจักรพระปรมาธาตุองค์นั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ยังไม่ได้บรรจุ และยังมีพระบรมธาตุอีกองหนึ่งเป็นแบบพระพุทธรูปนั่งสมาธิเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่อีกวันหนึ่งไปนั่งสมาธิจังหวัดลบบุรีเงียบสงับจนจะสว่างได้เห็นพระบรมธาตุอีกครั้งหนึ่งเวลาประมาณตีห้าจนสว่างได้มีรูปรูปหนึ่งแปลกประหลาดตกลงมาเป็นรูปคนทำเล่กแก้วเจรไนาสีดำจมโผลจึงได้เขียนจำลองโลกไว้จนบัดนี้เหตุการณ์แปลกประหลาดต่างๆเหล่านี้ได้เกิดมีขึ้นมาก จึงได้สั่งเตรียมการเรียกบันดาพระลกิ ษ, ษ์ที่ใกล้จิตแล้วแจ้งให้ทราบว่าเราต้องทำการฉลองสมโพธ์25พุทธศตวรรษในปีพศ2 5 0 0ที่วัดอโศกรามนี้แน่นอนได้ตัดสินใจเด็ดขาดในกลางพรรษาปีพศ2499นั่นเองเมื่อได้ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วก็ได้ ต, วตวดรวจดูบุญค่าปัจจัยของตอนเองมีอยู่ประมาณ200บาทเศษ แต่ก็ได้สั่งลงมือเตรียมการก่อสร้างโอประมำทำจัดพอเริ่มลงมือก็ปรากฏว่ามีผู้นำเงินมาถวายให้เรื่อยๆสร้างที่พักได้สองหลังเงินก็หมดระยะนั้นได้ขึ้นไปเยี่ยมจังหวัดจันทบุรีเมื่อกลับมาถึงวัดโสกรามพันตํารวจโทหลวงเวทเดชกําแหงได้ราย ง, งานว่าเงินจนหมดแล้วครับท่านพ่อจะไปหาที่ไหนในการทํางานครั้งนี้ได้วางแผนงานไว้ดังต่อไปนี้คือ หนึ่งวัตถุประสงค์ของงานบิดังนี้สร้างพระพุทธรูป 932,500 องค์และต้องเพิ่มให้เป็นจำนวนหนึ่งล้านองค์เป็นพระผงและพระดินเผาขนาดหนึ่งนิ้วเพื่อแจกจ่ายแก่พุทธบริษัททั้งหลายเหลือจากนั้นแล้วบรรจุในรากฐานพระเจดีย์ต่อไปและจะสร้างพระทองลึองอีกสี่ปางมีจำนวน5องค์คือตัสรูนหนึ่งแสดงธรรมจักรหนึ่งแสดงโอวาทแก่พระภิสุสง ตอนใกล้จะเสด็จดับขันปฏินิพพานหนึ่งนิพพานสายญาติหนึ่งพระประธานนั่งสมาธิเพื่อไว้ในโบสถ์หนึ่งพระเงินขนาดเล็กหนึ่งนิ้วพระหน้าพระทองคำโตขนาดเดียวกันจะสร้างชนิดละห0 0องค์จะได้บรรจุในองค์เจดีย์เพื่อประโยชน์ของกุณรบกุณธิดาแห่งเราทั้งหลายในผายผักนาสร้างพระตปิฎกสามปิฎกคือพระูตรพระวินัยพระประมัตถ์รวมเป็น 84,000 พัทธรรมคัณที่แปลเป็นภาษาไทยอุปสมบทพระภิกษุ80รูปบรรพชาสามเณร80รูปบวชนุ่งขาวถือศีล8อุบาสกชาย80คนอุบาสิ ก, กาหญิง80คนถ้ามีจำนวนเกินไปจากที่กำหนดไว้ก็ยินดีการบวชมีกำหนด7วันเป็นอย่างต่ำเริ่มทำพิธีอุปสมบทตั้งแต่วันขึ้น14ค่าเดือน6ถึงวันแรม7ค่า ตรงกับวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคม2500จนถึงวันจันทร์ที่20พฤษภาคม2500เมื่อผูดด้ใดมีความประสงค์จะบวชโดยประการใดๆให้แจ้งรายละเอียดชื่อนามสกุลตำบลบ้านอำเภอจังหวัดอายุวันเดือนปีเกิดเช่นจะมีบริขาร8มาพร้อมหรือผูดด้ใดไม่มีขอให้แจ้งไปให้ทราบก่อนถ้าใครไม่มีทางคณะกรรมการจะได้จัดให้ ผู้ใดประสงค์จะเป็นเจ้าภาพในการบวชทุกประเภทแจ้งความจำนวนได้ทางคณะกรรมการซึ่งได้กำหนดไว้บวชอุบาสกบาิกาคนละ100บาทสัมมานีนึงรบาทภิกษุ300บาทสำหรับซื้อบริการในการบวชทางวัดยินดีรับสมัครทุกประเภทสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15เมษายนสอง0หยปีรากาเมื่องานนี้สาเร็จไปแล้วด้วยดี มีวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งคือจะสร้างพระเจดีย์ไว้เป็นที่ระลึกซึ่งได้เกี่ยวเนื่องในวันสําคัญนี้เพื่อไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหนึ่งเพื่อบรรจุพระพุทธรูปหนึ่งเพื่อบรรจุพระธรรมหนึ่งอันเป็นส่วนของข้อธรรมและบริการอื่นๆซึ่งเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาพระเจดีย์นั้นจะสร้างกลุ่มเดียวกันสามชั้นชั้นสี่องค์องค์กลางอีกองค์หนึ่งองค์กลางเป็นองค์ใหญ่สี่เหลี่ยม กว้างยาว3วาสูง13วานอกนั้นองค์เล็กดร อ, อบ